เอาน่ายอย่าซีเรียกเรื่องโรงงานผลิตน้ำมนต์วันก่อนมีเด็กหนุ่มๆอยู่คนหนึ่งมันบอกว่ามันทรงพ่อปู่ มันบอกว่าพ่อปู่เนี่ยลงมาเพื่อจะช่วยเหลือคนไม่หลอกลวงใครหรอกพ่อปู่มีหน้าที่เซกน้ำมนต์อย่างเดียวแล้วน้ำมนต์พ่อปู่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์ไม่สบายตกงานมีปัญหาผัวทิ้งกินน้ำมนต์แล้วหายสบายมีความสุขกันหมด หลวงพ่อฟังแล้วชอบมากนโยบายเหมือนพระเลยลงมาเพื่อช่วยเหลือคนเราน่าจะร่วมมือกันทำงานนะหลวงพ่อจึงส่งลูกศิษย์ไปเชิญพ่อปู่มาที่วัดและบอกว่าถ้าเศกน้ำมนต์เก่งอย่างนี้มาอยู่กับพระพระจะตั้งโรงงานผลิตน้ำมนต์ให้เลยผลิตเสร็จกรอกใส่ขวด ขายแข่งกับกระทิงแดงลิโพเอ็มรอยห้าสิบรับรองขายระเบิดเลยแล้วมีแผนที่จะส่งออกนอกด้วยนะทำตลาดต่างประเทศด้วยแต่ข้อสำคัญต้องศักดิ์สิทธิ์จริงต้องรักษาโรคหายได้จริงนะพ่อปู่เจอของจริงเข้าวิ่งหางชี้ไปเลยไม่กล้าไม่ยอมมา ไม่ยอมคุยด้วยตอนหลังให้คนไปตามอีกรอบมันบอกว่าเลิกทรงแล้วหนบอกว่าลงมาเพื่อช่วยเหลือคนไงมันไม่แน่จริงนี่วาหลวงพ่อนลละชอบคนจริงและอยากเจอของจริง